ข้าพเจ้าพระไบบูลนะพี่ปุณโณมาพบกับท่านบูฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าเราจะนําธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะเอาไว้ก็ประกาศตามพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่ได้เคยๆประกาศเอาไว้เอาไว้เป็นธรรมะที่มีอยู่ในตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามเรียะสัต ส, สี่คือธรรมะนี้ก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับกรงล้อธรรมจักนี้เหมือนกับเมืองนั่นแหละเมืองเมืองหนึ่งที่เขาเลิกล้างกันไปคนไม่ได้อยู่แต่ว่าในเมืองนี้มีสร้าง ก, กำแพงสร้างอาคารแล้วก็มีสระน้าสระอะไรต่างๆเป็น สิ่งที่ออกแบบไว้ดีทีนี้ตอนสมัยที่ไม่มีพรุรชาก็คือเหมือนกับคําสอนเหล่านี้ไม่ได้มีใครคนพบขึ้นก็เหมือนกับเมืองที่ละล้างไปไม่ได้มีใครไปพบไปเจอแต่พอมีพระรูชามาอุบัติขึ้นก็มีการไปพบไปเจอธรรมะเหล่านี้แล้วก็นํามาประกาศก็เหมือนกับคนที่ไปเจอเมืองร้างเข้าพบว่ามีซากกาแพงแอ่งน้ำํำซาก อาคารต่างๆก็บอกให้พระราชาหรือว่ามหามามานีเขาไปพัฒนาให้เป็นเมืองที่ที่ดีที่เจริญขึ้นมาในสมัยต่อมา ก, ก็ดีก็เจริญขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าในเวลาไหนบางเวลาที่มันเหมือนกับความหวังเรือน้อยเต็มทีหรือว่าเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจปัญหานในชีวิตมากมายทำไมเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นตามอย่างที่เราหวัง เวลาที่เราพบเจอสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับมืดแดดานมองไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายแสงสว่างไม่เห็นมันตันไปหมดทุกทางแต่ให้มั่นใจอย่างหนึ่งทตามฝั ง, งให้มั่นใจในเวลาที่ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่มีมันมืดหมดแสงสว่างต่างๆไม่มีในเวลาที่มืดหมดอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ ที่ไม่มีสัมมาสัสมปุทธะมาอุบัติขึ้นมันมืดจริงๆแต่แม้ในเวลาที่มืดอยู่อย่างนั้นธรรมะเนี่ยก็ยังเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ปัญหาคุณอย่าเข้าไปยุง่งต้องละออกหลอกออกถอนออกทิ้งไปความทุกข์ที่เรามีเราต้องทําความเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยพยายามทําความเข้าใจส่วนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติก็พยายามทําให้มาก ไม่ว่าจะเป็นตันหามันก็สมัยไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้ทุกสมัยไหนก็จะเป็นอย่างนี้มีพระรูาไม่มีพระรชาก็ตามประเด็นก็คือว่าเราถ้าเราเข้าใจผิดเอามาใช้ผิดนะไอ้ที่ตันหาควรจะต้องลักกลับเอามาเก็บเอาไว้ความทุกข์ควรต้องทําความเข้าใจอา้าวกลับเอามันทิ้งไปอย่างเงี้ย เ, เราก็จะไม่สว่างสักทีแต่พอมีพระรชามาเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งพวกนี้ ทำสิ่งที่มันหายไปไปค้นพบเจอมาแล้วเมื่อประกาศบอกเราให้ทราบนะเพราเราทราบแล้วเข้าใจแล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังยังมีแสงสว่างยังมีความหวังอยู่ชีวิตของเรามันเหมือนกับหมดหวังจริงๆไม่หมดหรอกมันยังมีช่องทางอยู่ในใจแสงสว่างช่องทางที่พอเราจะให้เห็นนําทางเราไปได้เราเดินตามทางนี้ไป ปัญหาต่างๆมันก็ค่อยคๆหายไปอย่างน้อยใจของเรายัางสบายใจของเรายังมีทางไปวิธีการหนึ่งที่พุชาเาได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของการที่เราจะทําความสว่างทําสิใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการพูดจาใครเส้าคนใดคนหนึ่งนะท่านผู้ฟังจะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากปากเข้าไปหรือว่าเราจะได้ยินใครคนใดคนหนึ่งพูดสิ่งใดออกจากปากเขามาเนี่ย มันจะมีช่องทางอยู่5ลักษณ ะ, ะมีลักษณะอยู่5แบบแตพระเจ้าได้ตรัสถึงทางแห่งถ้อยคำที่ใครสักคนเดวคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาได้5ลักษณะคืออะไรหึอันนี้แน่นอนคือพูดจริงหรือพูดไม่จริงสมัยก็จะพูดเท็จก็ได้เขาอาจจะพูดจริงก็ไดนะ้สองเขาอาจจะพูดถูกต้องตามเวลาก็ได้หรือพูดไม่ถูกเวลาก็ได้ได้ทังนั้น หรือ3เขาอาจจะพูดด้วยจิตที่มีโทสะหรือว่าจิตที่มีเมตตาก็ได้นะหรือ4เขาจะพูดด้วยวาจาอ่อนหวานก็ได้หรือวาจาหยาบคายก็ได้แล้วข้อที่5ก็คือคำพูดเขานั้นอาจจะมีประโยชน์ก็ได้หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้นะสิ่งยา5อย่างที่จะหลุดออกจากปากของเราไปได้ก็จะเหมือนกัน อาจจะเป็นคำจริงก็ได้เราอาจจะพูดจริงก็ได้เราอาจจะพูดเท็จก็ได้สิ่งที่เราพูดไปนั้นอาจจะมีประโยชน์หรืออาจจะไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราพูดไปอาจจะถูกต้องตามเวลาหรือว่าไม่ถูกกาลเทศะก็ได้เวลาเราพูดไปนี้เราอาจจะพูดด้วยความโกรธหรือว่าพูดด้วยความมีเมตตาก็ได้นะหรืีข้อหนึ่งเวลาที่เราพูดไปเนี่ยอาจจะพูดด้วยวาจาหยาบหรือวาจาที่สุภาพก็ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนี้แตเขาพูดใจหงเรา ก็อย่างนี้เน่เป็นคู่ทั้งหมด10อย่างหรือเวลาเราพูดอะไรออกไปก็5อย่างนี้เป็นคู่ทั้งหมด10อย่างเอาเรามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2งกรณีนสะิบอย่างนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่ดีมากๆเถ้าตามธรรมะก็คือไม่ดีเนะเช่นว่าเป็นวาจาที่ไม่มีประโยชน์เลยเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เราอาจจะพูดหรือว่าคนอื่นพูดก็ตามพูดออกมาแล้วนะคพูดนั้นไม่มีประโยชน์เป็นคาเท็จ เป็นคำหยาบด้วยคนพูดนี่ก็มีจิตโทสะแล้วก็พูดผิดกาลเทศะอีกต่างหากแล้นฟังน่อยคิดดูนะเป็นคําพูดที่ไม่มีประโยชน์โปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่ไม่มีฐานที่ตั้งไม่มีที่ตั้งที่อ้างอิงไม่มีสาระใดทั้งสิ้นแต่แล้วก็เป็นคําเท็จพูดโกหกว่างั้นเถะแล้วก็เป็นคําหยาบด้วยนะฟังแล้วมันแสลงหูเผ็ดร้อนเป็นวาจาที่คนพูดนี่ก็มีโทสะอีกแแล้วก็ผิดกาลเทศะ เรามาดูตรงนี้ว่าถ้าใครสักคนใ น, คนหนึ่งพูดอย่างนี้ออกมามันเป็นวาจาที่เขาพูดออกมาเน่ยแหะแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตัวเราเองอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ในกรณีที่สองเราจะมาเปรียบเทียบกู้กันนั่นคือวาจาที่พูดเป็นคําจริงนัเป็นประโยชน์ด้วยนันมีหลักฐานที่ตั้งเดียงยิ ง, งมีข้อมู ล, ลต่างๆพร้อมนันเป็นคําจริงแล้วก็เป็นวาจาที่สุภาพนัเป็นคนพูดก็มีจิตเมตตา พูดถูกกาลเทศะอีกงหาก่างและมีกรณี5อย่างนี้สองข้างเรามาดูนะท่านผู้ฟังดูในสังคมปัจจุบันดูตัวอย่างแรกวาจาไม่เป็นประโยชน์เป็นวาจาเทศเป็นคำหยาบคนพูดก็มีโทษะผิดกาลเทศะต่างหากเรามีใครว่ากราววาจานี้อยู่บางที่เนี่ยเราฟังเองเนี่ยเราก็หัวเราะนะชอบใจเอา้าทาไมเป็นอย่างนั้นก็ดูอย่างตลกเขาแสดงตลกเขาแสดงตลกที่เวทีไหนก็ตาม นะตลกบางคณะนี่โอ้พูดใช้คำหยาบนะวาจานี่ก็กล่าวมัวม่วๆสั่ๆขึ้นมาเอามันอย่างเดียวนะเราก็คนพูดบางทีเขาก็มีมุกที่ยั่วให้คนนึงโกรธเราเห็นคนนั้นเขากรธเขาพูดอะไรมาเราก็ขำก็หัวเราะแลนะพีกาล่เทใส่บางทีไปเล่นแสดงตามงานที่ไม่เหมาะสมเราไปเห็นพวกนั้นเราก็ยังหัวเราะได้เออมก็มีไงมีเหมือนกันนะอีกรณีหนึ่งเอาคําพูดที่เป็นประโยชน์ เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพคนพูดมีเมตตาถูกกระร้าเทใสต่งหากเราไปฟังบางทีเราหาวอดหาวอดง่วงนอนว่าไม่สนใจเมื่อไหร่จะจบพิเออมันเป็นอย่างนั้นก็มีแฮศาสตรปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังสันในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความหลงจริงๆมีความหลงมีความหนาถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มมากแลวมีกิเลสหนาว้างเด เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เป็นคําจริงคําสุภาพมีเมตตาถูกกร ะ, ะเทศะเออแทนที่ว่าเราจะฟังน้อมจิตฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึงแต่บางคนก็ง่วงไม่สนใจในขณะที่ไอเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นคําเทศคำหยาบมีโทสะผิดกร ะ, ะเทศะบางคนแทนที่จะรีบหลีกออกไม่อยู่ในวงตรงนั้นเออกลับฟังอย่างดีเออกับหัวเราะอีกต่างหากสนับสนุนเขาอีกต่างหากเออมันเป็นอย่างนั้น ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะท่านฟังบางคนคือเราเห็นเห็นกันอยู่ในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยเขาเขาพูดถึงคนที่เราไม่ชอบนะคำพูดอย่างเดียวกันนะคำพูดอย่างเดียวกันเอาเซตที่ว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นคําเท็จเป็นคําหยาบมีโทสะแล้วก็คนพูดนพิพผิดกาลเทศะด้วยนะไปพูดกับคนที่เราไม่ชอบแต่คนที่พูดใส่คนที่เราไม่ชอบไม่เรายินดีในคําพูดนั้นนะยินดีตรงนี้คือหมายถึงว่าอาจจะถูกกาลเทศะของของเรา แต่ผิดการะเทศของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีความยินดีขึ้นก็มีนะหรือถ้าเขาพูดสิ่งเหล่านั้นมาใส่เรานะีพูดอาจจะเป็นคําที่เป็นประโยชน์เป็นคําจริงเป็นคําสุภาพมีเมตตาถูกการะเทศด้วยแต่มาพูดใส่เราอะบางทีเราโกรธก็มีนะเออเ ข, เขาโจทย์เราด้วยเรื่องจริงอย่างเงี้ยโจทย์เราด้วยคําสุภาพด้วยนะคนพูดนี่ก็มีเมตตา แม้แต่เราพูดถูกพูดใส่เพูดเล้วจี๊ดขึ้นมาทั้งที่มันก็จริงนั่นแหละบางทีงั้นก็มีนะในถ้อยคําที่เขาจะกล่าวหาเราทั้งหมด10อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ต้องฟังลองพิจารณาดูดีๆนะว่าสองเซต2กลุ่มเนี่ยเอาที่ว่าที่สุดเลยทั้งหยาบทั้งไม่จริงทั้งเป็นคําเทศผิดกาลเทศะนะเราฟังตลกก็มีเราฟังแล้วรู้สึกดีใจก็มี เราฟังแล้วรู้สึกจีดก็มีในอีกขณะหนึ่งคำที่เหมือนกับตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นคำที่มีประโยชน์เป็นคำจริงคำสุภาพเมตตาถูกลระเทศะบางคนฟังแล้วก็ง่วงหาทางหนีเบือ่อแต่พอมาพูดใส่เราบางทีเราโกโกรธแต่ออาบางคนฟังเขาก็ฟังดีตั้งใจฟังมันมีทั้งหมดมีทุกรูปแบบในคล้อยคาแห่งวาจาที่เขาจะกล่าวหาเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะกล่าวหาเราด้วยธรรม ด, ด้วยคําประกันใดประกันหนึ่งนะหรือมาทั้งหมดหรือสักอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เชาวาให้ฝึกเจตอย่างนี้ว่าจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะต้องไม่กล่าววาจานเป็นบาปนะเราต้องมีจิตอันเป็นเมตตาอยู่ในภายในนะเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีปยาบาทไม่มีการปลูกเวรแล้วนะเราก็แผ่เมตตาจิตไปยังบุคคลรอบข้างทั้งหมดนะโดยผ่านบุคคลที่พูดอยู่เนี่ยไป ให้ทุกคนได้รับกระแสความรักความเมตตาประเด็นก็คือว่าไม่ว่าวาจาั้นจะเป็นแบบไหนที่จะมาหาเราจริงของเราต้องไม่แปรปรวนแล้วถ้าเราจะพูดละ่ะเราควรจะพูดด้วยวาจาลักษณะใดอันนี้แน่นอนมันก็ต้องเป็นสมาวาจาใช่มสมาวาจามันก็กว้างไม่หยาบเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคาจริงเป็นคาสุภาพ าคนพูดก็มีจิตเมตตาเราก็พูดถูกกาลเทศะด้วยทีนี้ไอ้คำพูดที่เป็นลักษณะนี้ เ, เวลาเราพูดไปนะถ้าเรารู้กาละที่ถูกต้องนะคำพูดของเราเป็นสุภาพสิทธิ์แน่พูดไปแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาดูลวนะว่าถ้าคนฟังนะทุกคนฟัง เ, เขาเป็นบัณฑิตนะคนฟังเป็นบัณฑิตนะเขาฟังคำพูดที่มีประโยชน์มีเป็นคำสุภาพเป็นคำจริง เราพูดก็มีเมตตาในทุกขลักษณะด้วยถ้าเขาเ็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอื้อเฟื้อในคําพูดของเราหรือว่าถ้าใครสักคนหนึ่งพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ออกมาแต่ถ้าคนฟังนั้นเป็นคนที่เป็นบัณฑิตจะเอื้อเฟื้อในในคำสอนนั้นเอื้อเฟื้อในสิ่งที่เขาพูดนั้นเอื้อเฟื้อเนี่ยหมายความว่าอย่างน้อยอาจจะแบบโกรธไม่พอใจบ้างตัวเองอาจจะมีความผิดบ้างอะไรบ้าง แต่เอื้อเฟื้อก็คือยังฟังไหนยังอาจจะตั้งใจในการที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือลักษณะของคนที่ที่เป็นบัณฑิตเป็นคนที่ยังบอกง่ายสอนง่ายมีขนตกสนิทนั่นคือขนตั้งขึ้นเนี่ยคือคนที่โกรธขนสุกสู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เก้อยากละ่ะเป็นคนที่บอกยากสอนยากเพราะว่าถ้าเมื่อไร่ถ้าเราฟังหรือใครฟังก็ตาม ฟังแล้วมีจิตขัดเคืองเกิดขึ้นคนที่มีจิตขัดเคืองไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในจิตนี้มันจะเป็นเหมือนตะปูตรึงจิตเอาไว้ตรึงเอาไว้ไม่ให้ลดละเลิกกิเลสไม่ให้เราปล่อยวางสิ่งที่ที่ควรจะปล่อยวางไม่ให้เราทําความเข้าใจสิ่งที่ควรจะทําความเข้าใจได้มันเป็นเหมือนตะปูตรึงจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครพูดอะไรแต่เรา ฟังให้ดีนะคำพูดนั้นเอ๊ะเป็นประโยชน์ฮเอะเป็นคําจริงไงเป็นคําสุภาพด้วยคนพูดมีเมตตากกะะทุกละเทใจต่างหากโอเราควรจะเอื้อเฟื้อคําพูดนั้นถ้าเราเอื้อเฟื้อคําพูดนั้นเรามีลักษณะของคนที่ที่ไม่เก้อยากไม่สอนอยากเป็นคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมะไม่ไดนะเราดูคนตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าเวลาที่ที่ต้องมีการติดเตียนมีการที่บอกกล่าวสอนกล่าวกันนะคือบางทีคือบางคนก็ไม่ได้ทํำตกทุกอย่างใช่ไหม เราทำผิดก็มีลูกเราทำผิดก็มีเจ้านายเราทำไม่ถูกก็มีลูกน้องเราทำไม่ถูกก็มีไอคนที่ทำไม่ถูกทำผิดแล้วเราจะต้องต้องการบอกต้องการเตือนต้องการให้คำแนะนำแน่นอนท่าน้ฟังนะควรจะพูดด้วยคำที่จริงนะเป็นประโยชน์นะมีความสุภาพฉิตเราต้องมีเมตตาถูกกระเทศะเป็นคำที่ดีละว่างนั้นเถอดนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าชาสุภาษิตการพูดลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในการยกย่องสรรเสริญก็ได้อาจจะเอาไปใช้ในการ ติเตียนก็ได้นะได้ทั้ง2 อ, อย่างติเตียนในที่นี้ก็คือหมายถึงให้เขาออกจากอาบัตแตนะ่ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ก็คือให้ออกจากอาบัตให้บอก อ, อกจากความผิดนะเรามีการตักเตือนกันนะด้วยการที่ใช้คําจริงนะพูดนี่มีหลักฐานมีเป็นธรรมเป็นมิ น, นัยนะคนคนพูดนี่ก็มีจิตเมตตาเป็นคำพูดที่สุภาพแล้วก็ถูกกาลเทศนะแต่พูดในลักษณะนี้แล้วเอาไปใช้ในการยกย่องสรรเสริญก็ได้เอาไปใช้ในการติเตียนก็ไดนะ้ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยตรัสไว้กับพรามที่ชื่อว่า โปรตาริยะนะพูดถึงบุคคล4ประเภทก็คือแบ่งไว้4ลักษณะว่าติเตียนอย่างเดียวนะแต่ด้วยวาจาที่ที่ดีละ่ะถูกประโยชน์ละ่ะแล้วก็ถูกเวลาด้วยละ่ะแต่ว่าไม่เคยชมเลยนะไม่เคยกล่าวสรรเสริญเลยอีกคนนึงก็กล่าวสรรเสริญอย่างเดียวนะแต่ไม่เคยติเตียนเลยอีกคนหนึ่งทั้งติงเตียนด้วยทันะ้งสรรเสริญด้วยแล้วก็ประเภทที่4ก็คือไม่ทั้งติเตียนไม่ทั้งสรรเสริญนะมีคนอยู่4ประเภท น, นี้เรากำลังพูดถึงวาจาที่ดีนะท่านฟังวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นคำพูดที่จริงเป็นคําสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะแตถ้าเราเอาไปใช้หรือใครสักคนหนึ่งใช้วาจา5ประเภทนี้ในการติเตยียนอย่างเดียวไม่กล่าวสรรเสริญเลยหรือในการสรรเสริญอย่างเดียวนต่ไม่ได้กล่าวติเตยียนเลยหรือว่าทั้งสรรเสริญตั้งติเตยียนหรือว่าไม่สรรเสริญด้วยไม่ติเตยียนด้วย คือไม่ไม่กล่าวกับใครในลักษณะที่จะติดเตียนเขาไม่กล่าวกับใครในลักษณะที่จะสันเสริญเ้าแ ต, แต่ก็พูดเป็นธรรมดาไปได้ถามปรามชื่อโปรตาลยะไว้ว่าเอ๊ะคนสี่ประเภทเนี้ยนี่ก็ลองพูดถึงสัมมาวาจามันลยนะคนสี่ประเภทเนี้ยอันไหนดีกว่ากันประเภทไหนที่ควรสันเสริญประเภทไหนที่งดงามกว่าประณีกว่ า, ายอย่างเงี้อถามปรามชื่อโปตาลยะไปอย่างนี้นะปรามก็ ไล่เรียงลาดับลองคิดดูอ๋อพระเจ้าพูดถึงคน4ประเภทนี้นะเขาพูดตามจริงด้วยนะพูดถูกกาลด้วยนะแต่ว่าเอาไปใช้ในการติเตียนก็มีเอาไปใช้ในการที่กล่าวสรรเสริญก็มีเอางนี้แล้วกันไม่ต้องติเตียนไม่ต้องสรรเสริญเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าอุเบกขานี่พราหม์ก็มีความคิดอย่างนี้แต่พราหมณ์เขากล่าวว่าบุคคลที่ไม่ติเตียนนนั้ด้วยคําจริงโดยการันควรทั้งไม่สรรเสริญด้วยคิดว่าดีกว่าเพราะว่าดีกว่างดงามกว่าประนี่กว่าเพราะว่า ด้วยความที่ผู้นั้นอยู่อุเบกข า, ามีความคิดว่าอย่างนี้พระเามีความคิดว่าไงแตพระชามีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่งดงามกว่าเลิศกว่าประณีกว่าน่นก็คือคนที่รู้จักที่จะติเตียนโดยการอันควรด้วยคําจริงด้วยแล้วก็รู้จักสรรเสริญโดยการอันควรด้วยคําจริงด้วยวคนที่รู้จักตรงนี้งดงามกว่าเพราะว่าเป็นผู้รู้การะในกรณีต่างๆรู้เวลาในการที่จะกล่าวพูดกล่าวสอน แตนะ่ซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้วาจา5อย่างนี้เป็นคําประโยชน์ด้วยนะเป็นคําที่มีประโยชน์นะมีหลักฐานที่ตั้งที่ยั่งยิงนะเป็นคําจริงด้วยนะแล้วก็เป็นคําที่สุภาพนะพูดก็ออกจากจิตที่เมตตาถูกกาละเทศะด้วยเวลานี้เขาให้พูดได้ก็พูดมาแล้วใช้ในการติเตียนในการอัญควรนะมันถูกาละเน่ละแล้วใช้ในการสรรเสริญอันนี้ถึงจะดีเลิศกว่าประณีตกว่าแล้วก็งดงามกว่า เราใช้วาจากองเราให้เป็นลักษณะนั้นเสมอวั ง, งคือคนเราไม่ได้ดีหมดทุกอย่างแคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็ไม่ได้ดีหมดทุกอย่างเราก็ควรจะต้องมีการกล่าวเตือนบอกสอนกันเพื่อให้ออกจากความผิดอันนี้ควรจะต้องทําผู้ที่ผู้ใดที่รู้โทษของตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเฮ้ยนั่นจะเป็นความเจริญของเขานะเราควรจะเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยโดยการให้เขาเนี่ยรู้ข้อมูลที่เขาควรจะต้องปรับปรุงตัว ถ้าเขาเป็นคนที่ที่เป็นสัตว์บุรุษเป็นคนดีมีคุณสมบัติของคนดีอยู่บ้างนะฟังแล้วเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ที่ฟังนั่นจะเป็นความดีของเขาเอาคนที่ไม่เอื้อเฟื้อทําไงเอาภิกษุที่สอนญากก็มีนะก็ต้องไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการระ ง, งับอธิกรณ์ซึ่งคิดว่าจะมาพูดกับท่านผู้ฟังในวันพฤหัสบันสุขแต่ถ้าเผื่ว่าเราโทนละ่ะเราถูกเขาว่าถูกกติเตียนนะเราก็ต้องเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อใน ในสิ่งนั้นถ้าวาจาเขาว่าเป็นแหมเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ด้วยเป็นคําจริงคําสุภาพมีเมตตาถูกกระเทศะเราควรจะเอื้อเฟื้อฟังแก้ไขลองคิดดูสินาวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นคําเท็จเป็นคำหยาโทสะผีกะเทศะเราฟังบางทีเรายังรู้สึกพอใจแล้วทำไมไอวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นคําจริงเป็นคําสุภาพมีเมตตาถูกกระเทศะเราจะไม่ฟังเราควรจะต้องฟังเราควรจะต้องตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ให้ทั่วถึง ฟังให้ดีสิ่งไหนเป็นตามสิ่งไหนเป็นไปไหนฟังแล้วมาน้อมเข้าสู่ใจทําให้ได้ท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยากหูทุกคนมันก็มีจิตทุกคนก็มีลมหายใจของเราก็มีลมหายใจเรามีหูเรามีจิตเรามีทําไมเราจะตั้งจิตให้อยู่กับสติให้จิตเรามีลมหายใจให้จิตเรามารู้ลมหายใจจิตมีสติแล้วอะไรมากระทบทางหูเออไอที่มันจะขยับออกไปจากปากเนี่ย มันจะได้รับการรักษาอย่างนั้นมันยังอยู่ในขอบเขตของความคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคําจริงเป็นคําพูดที่สุภาพเป็นคําพูดที่ชาวเมืองก็พูดกันแล้วก็เป็นคําที่มีเมตตาถูกกาลเทศะเราเอื้อเฟื้อในวาจาของเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ติเตียนใครเลยนะไม่ใช่นะคําพูดเหล่านี้เอาไปใช้ในการติเตียนได้เอาไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์นี่หมายถึงก็ติเตียนนั่นแหะเพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่จะถูกหมดคนที่เห็นโทษ แล้วก็ชี้โทษผู้อื่นอันนั้นชี้กลุ่มซับให้เขานะหรือถ้าเขาเห็นโทษในเราเขาเอาคําพูดเหล่านี้5้าลักษณะนี้มาบอกเราเฮ้ยอันนี้เป็นการชี้กลุ่มซับให้เราเป็นการติเตียนเราเป็นการชีโช้โทษให้ชี้โทษให้แล้วเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษนั่นจะเป็นกลุ่มทับของเรานนในใจของเราจะมีสัจธรรมเพิ่มขึ้นมากลุ่มซับเกิดขึ้นล่ะอริยซับเกิดขึ้นอะในใจ แน่นอนนะท่านฟังว่าต้องถูกกาลเทศะด้วยนะบาที่เราไปพูดติเตียนเที่ยวติเตียนคนนั้นติเตียนคนนี้อ้าวถ้าผอมันต้องถูกกาละไงถ้าไม่ถูกกาละเขาอาจจะขัดเคืองได้ก็าอาจจะไม่พอใจได้ถ้าก็มีความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นในจริ ง, งเขาแล้วแหมนั่นจะเป็นตะปูตรึงใจเขามันจะไม่ดีเราก็จะควรจะพูดในลักษณะที่จะไม่ให้เขาขัดเคืองแต่เป็นการติเตียนการติเตียนทั้งหมดอาจจะไม่ได้ทําให้ใครขัดเคืองก็ได้ นะอยู่ที่ลักษณะการพูดอยู่ที่เวลาในการพูดด้วยเพราะฉนั้นถ้าเผิดว่ามีใครจะมาเอื้อเฟื้อเราในธรรมวินัยในะด้วยการชี้โทษเราให้ออกจากความผิดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นความเอื้อเฟื้อที่เขาจะทําได้จิตของเราต้องไม่แปรปรวนแตนะ่เราจะต้องไม่กล่าวว่าอาจารย์เป็นบาปเราต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งหมดมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์หรือแม้แต่เราถ้าเราเอื้อเฟื้อในธรรมวินัย เราพูดในลักษณะที่จะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาไม่ดีได้และเราก็เป็นการที่ไม่ให้เกิดความขัดเคกองเกิดขึ้นในจิตของเขาไม่ให้ความขัดเคกองเกิดขึ้นในจิตของเราดังคือบางทีเราคิดว่าไอ้ฉันจะไปสอนคนอื่นแมมันฉันจะทำไม่ได้หรอกฉันไม่ได้อยากจะสอนนั่นก็จะมีความขัดเกิงเกิดขึ้นในจิตของคุณเล็กน้อยแต่ถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อทำมาไม่นานให้เห็นว่าไอ้ความขัดเคกินที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่เขาจะ แก้ไขทําให้ดีขึ้นมาได้เป็นเรื่องสําคัญกว่าเราควรจะบอกให้เห็นว่าไอ้ความขัดเคกองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันเล็กน้อยเราพูดวาจาในลักษณะที่เป็นวาจามีประโยชน์เป็นกรคำจริงเป็นคําสุภาพมีเมตตาถูกกาะละเทศะแล้วเขาจะดีขึ้นมาได้แต่เป็นการที่ออกจากสิ่งที่เขาไม่ดีอยู่ได้ละสิ่งที่เขาไม่ดีมีอยู่ได้เนี่ยให้ออกไปเนี่ยเราควรจะเอื้อเฟื้อตรงนี้แต่ถ้าพูดแล้วความขัดเคืองจะเกิดขึ้นในจิตของเขาด้วย เราคุณจะต้องหาวิธีในการพูดใหม่ที่จะจะให้มันถูกกาลเทศะเป็นประโยชน์ด้วยแต่คือเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์แน่ละเพราะเขาจะออกจากความปิดได้หรือว่าเขาจะดีขึ้นมาได้แต่เราจะทําให้เกิดความขาดเครื่องแสดงว่าประโยชน์นั้นมันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเซแต่มันยังไม่บริสุทธิ์ปิ้งนั่นเองแต่ก็มีบริสุทธิ์บ้างสมบูรณ์บ้างเพราอมเป็นทําเป็นวิไดยอยู่แล้วแต่แต่ยังมีความเศร้าหมองเล็กเลน้อยๆ อ, อยอยู่เราก็พยายามหาวิธีที่จะทาให้มันดีขึ้น โดยการที่ไม่ให้มีความขัดเคลื่องเกิดขึ้นนะเราพูดลักษณะนี้นะ้ำมูบริษัทนะที่บริวารที่อยู่แวดล้อมด้วยกันแล้วนะจะเจริญขึ้นแน่นอนแตนะ่เพราะว่าต่างคนต่างก็จะช่วยแนะนํากันนั้นะตักเตือนกันนั้นะเป็นคําพูดที่ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนและเพราะาเป็นคําพูดที่มีประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุขภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะเน้นย้ำนะท่านผู้ังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจาของเราวาจาที่ใคร สักคนใดคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาจะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้เป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้เป็นคำสุภาพก็ได้เป็นคำหยาบคายก็ได้เป็นคำที่มีเมตตาก็ได้หรือพูดจากจิตที่เป็นโทสะก็ได้คำพูดนั้นอาจจะถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกเวลาก็ตามจิตของเราต้องไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้ที่มีจิตอินดูเกื้อกูลแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ เปรียบเหมือนแผ่นดินแมวมาเขาจะพยายามอย่างไรใช้จอบเสียบบุ้งกีลดแมคโกมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินมันทำไม่ได้ถ้าเราทำใจให้เหมือนแผ่นดินสิ่งใดๆจะมากระตบกระตุือนไม่ได้หรือว่าเปรียบเหมือนอากาศเขาจะเอาสีเอาภาพเอาสเปรย์เอาเมจิกอะไรมาเขียนให้อากาศนี้ปรากฏขึ้นเป็นรูปไม่ได้ทำจิตให้เหมือนอากาศหรือทำจิตให้เหมือนน้ำ ที่เขาจะเอาไฟในแม่น้ำนี่น้าในแม่น้าเขาจะเอาคบเพลิงหย้ามาเผาเพื่อให้น้าในแม่น้านี้เดือดพร่านร้อนจัดเขาจะทำไม่ได้เราทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฝูที่มีการฟอกนวดอย่างดีฟอกนวดอย่างทั่วถึงจะเอาไม้หัวหวงมาตีให้มันเสียงดังพรมๆนั่นจะเป็นไปไม่ได้คือถ้าเรามีจิตที่เตรียมพร้อมไว้ สิ่งใดมากระทบเจนวาจาที่จริงเท็จมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นวาจาสุภาพหรือหยาบมีเมตตาหรือมีโทสะถูกกาละหรือไม่ถูกกาละก็ตามเราทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินให้เหมือนแผ่นน้ำให้เหมือนอากาศเราจะรักษาจิตของเราได้และตัวเราเองให้เป็นผู้ที่มีวาจาที่พูดออกมาแล้วเป็นคาที่เป็นประโยชน์ เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพพูดจากจิตที่มีเมตตาแล้วก็ถูกกาลเทศะเราพูดอย่างนี้เรารักษาตัวเราเองด้วยเราพูดในลักษณะที่เป็นการสันเิญคนอื่นตามการอันควรเป็นการติดเตียนผู้อื่นตามการอันควร น, นั่นก็เป็นการเอื้อเฟื้อต่อธรรมาไว้ไหนเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญก็ขอลาไปก่อนจเจริญบ่อน